รูบอาจารย์แต่และองค์แต่ละองค์นะีกว่าจะดีได้ไม่มีฟลุกหรอกแรกมาสาหัสกันแต่และองค์แต่และองค์นะีไม่มีลุกฟุกนะภาวนามาอย่างล้มลุกลุกลานทุกคนทุกคนเนละยงั้นพวกเราภาวนาเราอย่านึกว่าเหยาะเยาะแยะแยะแล้วจะได้คารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนพื้ไม่ต่อเนื่อง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 จะเก่งแสนเก่งนะแต่ว่าทำเหยาะแหยาะใหญ่แฉไม่ได้กินหรอกต้องพักเพียรจริงๆเลยแล้วคำสอนทั้งหลายนะมันสับสนอนรมานมากนะยุคนี้ต้องศึกษาด้วยจริงอย่างเดียวจริงแบบวัวแบบควายใช่ไม่ได้ต้องศึกษาว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาให้ถ่องแท้นะคคำสอนซึ่งคลาดเคลื่อนนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งน่าสงสาร คนจำนวนมากที่แสวงหาทางพ้นทุกข์แทนที่จะพ้นทุกข์กับทุกข์มากกว่าเก่าก็เยอะนะคนภาวนาจนเป็นบ้าเป็นบอแฝดภาวนาจนพิกลพิการนะหลังเดี่ยงคอเดี่ยงเจ็บปวดไปทั้งตัวทรมานเหมือนคนพิการไปเลยก็มีเยอะแยะไปภาวนาแล้วบ้าก็มีเยอะแยะไปถ้าไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนใสัยว่าเชื่อถ้าจะดีแล้ววิธีนี้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 ตามความเป็นจริงรือจะได้ผลเร็วบางคนแทนที่จะคิดว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นมีสอนกันนะระดับสำนักใหญ่ๆก็ยังมีเลยสอนให้ดับเวทนาสอนให้ดับเวทนาเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรนะ้ให้เพ่งไว้ที่มือกำหนดไปเรื่อยๆนะรู้สึกรู้สึกอยู่ที่มือนะไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจจิต รีก ว, ว่ามีสัญญาวิรักขะเพ่งรูปแล้วมีสัญญาวิราาักขะในที่สุดนก็นดับเวทนาลงไปดับเวทนาพร้อมกับอะไรพร้อมกับจิตพอวนานแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่นะไม่มีจิตมีอยู่ภูมิเดียวที่ไม่มีจิตคืออสัญญาสัตตาภูมิพรมลูกฟัก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 งานทํายังไงจิตจะสงบอยู่แต่ความว่างภาวนาแล้วเอาแต่ความว่างอย่างเดียวน้อมจิตไปส Grande ู่ความว่างอย่างเดียวนี่ใช้ไม่ได้ทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้น้อมจิตไปสู่ความว่างพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานนะครสอนกายานุปัสสนามีสติตามรู้กายอยู่เนืองเนืองสอนเวทนานุปัสสนามีสติตามรู้เวทนาอยู่เนืองเนืองสอนจิตตานุปัสสนามีสติตามรู้จิตเนืองเนือง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 ท่านจะสานอย่างนี้อันนี้เป็นผลเป็นผลจากการที่เราจเจริญสติปัฏฐานเต็มที่แล้วจนจิตมันเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่พระอราหันต์จะไม่มีถึมีก็มีได้ชั่วขณะเท่านึงชั่วขณะสองขณะตอนที่เกิดอริยามารรยาผลแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีนิดเดียวในความเป็นจริงแล้วจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอราหันต์ที่ว่างสว่างบริสุทธิ์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 ถ้าไม่หยิบเฉวยก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งอันนี้แหละที่พระสารีบุตรเคยถามปริภาชกกุณทนเกสีว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งปริภาชกนั้นตอบไม่ได้ปริภาชิกานั้นตอบไม่ได้ท่านเลงเฉลยว่าพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งพุทธมนต์ไม่ใช่อะไรเลยคือธรรมที่เป็นหนึ่งี่เองไม่เป็นคู่หลับใจยังเป็นคู่ก็ยังเวียนไปอีก